พระครวตอรห ต, ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระครโตอรห ต, ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระครโตอรห ต, ตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่ต่างสบายผมจะได้การย่บบายทามว่สบายไม่ต้องซีเรียส เพราะว่าอยู่ผู้คนที่มาเยหน้าใหม่ๆเื่องเราต้องดูก่อนว่ามีใครบ้างเพราะว่าหลวงพ่อท่านเคยสอนว่าการเทศหรือมันยายให้ดูที่คนฟังเพราะนั้นเป็นแบบไหนคราจะต้องเทศเรื่องอะไรดัะนั้นเราตัดสินใจแล้วสแกนดูแล้ว มีตกใจเล็กน้อยมองไปเจอนางไม้นางตะเคียนอะไรก็องไม่ดูเหมนว่าผีหรอตอนแรกประชาร์ตกำหนดสมาธิอยัางดีมองไปมีใครบ้างแล้กูเจอผีอะสวพสดค่ะนวันที่ามาีานรพฤกเดลกันนะคะสาธุขอให้กลังนะพูดเล่ น, นเหนืยเดี๋ยว ม, มันจะกดเรา นนั้นเนี่ยก็เครียดจริงๆแหละในอย่างที่ข้าวอร์ตพูดปีพรรษาเนี้ยเคยรียด เ, เครียดทุกคนมาคุยกับพ่อนก็เครียดจริงๆนั่งฟังของเขาวแล้ ว, ลวมันเครียดกว่าเราเี็ปัญหาอะไรรู้เยอะแยะมากมายนั้นเนี่ยถ้าจะพูดแบบสบายๆอาจจะสอนแทรกธรรมะเข้ามานิดหน่อยตอนนี้สภาวะจิตใจมันอ่อนไหวมาก เดียวก็เหมือนคนอกหักแล้วก็ต้องรักษาแายใจตอนนีเครียดจริงๆรอ๋อจริงๆริงแต่คนมันรู้ไม่รู้ไง เ, เนี่ยอย่างที่พี่ออสเล่าวันนั้นอ่ะเขาก็เครียดจริงนะเพราะประปึก ษ, ษากันอยู่ไงไม่รู้จะไปปรปึก ษ, ษาใครอยู่พิจิตด้วยกันมันก็มีอยู่ไม่เกี่วัดเนี่ยใครนั่งสมาธิก็นั่งใครไม่นั่งก็ฟังในสวดเป็นการบรรยาย ถึงกับตอนบ่ายต้องขึ้นไปบนโบสก็จะเป็นการเล่ามากกว่าจะเล่าเพราะว่าบางคนมาใหม่ก็น่าจะ 30- 40เอร์เซก็เลยจะเล่าเรื่องของที่นี่แหละเรื่องของที่วัดเราหพ่อไปบอกว่าจุดที่ดีที่สุดในการปฏิบัติในการฝึกใครที่ต้องการฝึกสมาธิหรือฝึกการปฏิบททัติธรรม จุดของในวัดเนี่ยจุดที่ดีที่สุดเลยคือบนโบสบนนะบนเนาะบสวัดอิติวัดนอกที่เดินขึ้นบในไดไปนั่นแหละเพราะว่าในสมัยที่อยู่ที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็มีโอกาสโชคดีได้ไปเ ป, เป็นเลขาหลวงพ่ออยู่ประมาณ3ปีได้แล้วได้ฝั่งมีโยมบางคนมาอยากจะปฏิบัติธรรม นี่ยหลวงพ่อก็จะบอกว่าให้ขึ้นไปบนโบสถ์ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปขังตรงไหนตรงโน้นตรงนี้ปลาชา่มว่าช้าไม่ต้องบนโบทเราเนี่ยแกบอกว่าเป็นสถานที่ที่มันเหมาะสมคนที่ปฏิบัติใหม่ๆมันจะไวเราก็ไปเลยบนโบสพอไปบนโบทเนี่ยก็ไปนั่งนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างยอย่างที่บอกเข้ามาแรกๆก็ไม่ค่อยรู้อะไร อย่างวันนี้โยมแม่ก็ามาโยมแม่เดินทางมาเพื่อฟังเทศแล้วก็กลับเราก็ไม่เข้าใจนะบอกแม่ว่าไม่ต้องมาก็ได้ไหมเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังเราก็ได้แม่บอกไม่ได้ต้องฟังปัจจุบันฟังสด อ, อต้องได้อัธรุษมากกว่าเนี mm ่ hmm. ยวันนี้ก็ไปนั่งสมาธิอยู่บนโบสถ์สภาวะจิตใจมันไม่รู้เป็นยังไงมันไม่นิ่งไม่ไงไม่รู้ ไม่รู้จะเทศหรือไรขึ้นไปสงบสติอารมณ์ก็คิดออกมาว่าอ๋อวันนี้จะพูดหัวข้ออยู่สามสี่หัวข้อก็คือเรื่องของกรรมแล้วก็เรื่องของเรื่องของปัจจุบันอแล้วก็เรื่องอะไรเห็นไหมตอนนี้ยังลืมตื่นเต้นลเลยันจะมีเรื่องของกรรมเนีย่ยเป็นหลักแล้วก็เรื่องของธรรมะของพระเจ้าที่หลวงพ่อได้สอน เราเห็นข้อที่สํคาคัญสํคาคัญเนี่ยคือกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คือความเกิดและความดับนั่นเองอันก็ไปนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงคิดเออจะมาพูดเรื่อะไรอันก็มาเล่าเล่าให้ฟังเดีจะเป็นการเสียเวลาดีบล่าก่นอนก็ได้เข้ามาบวชที่วัดเนี่ยเมื่อปี5้สองเกือบ10บปีอ ะ, อะ บวชเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆท่านเหมือนกับที่พี่อ้อนพูดกูเคยเหี้ยมาก่อนเงี้ยเราก็พอๆกันแล้วเราก็สังเกตเจ้าวาดทุกคนนะเท่าที่ไปรู้จักไปสัมผัสมาทุกคนทุกคนนะพอกันทั้งนั้นเลยเฮียไ ม, ไม่ใช่พอเข้ามา เ, เพราะอันนี้เคยได้ยินหลวงพ่อพูดหลวงพ่อบอกที่กูส่งไปเนี่ยเฮียทั้งนั้นแหละคนดีๆกูไม่ส่งไปเราก็มานั่งคิดพิจารณาว่า ก็จริงนะถ้าเกิดเอาคนดีๆลองเอาเด็กเรียนเด็กเรียนใส่แว่นไม่มีพิษไม่มีภัยพิดดูมันจะโดนลุมยังขนาดไหนแต่ละที่มันไม่ธรรมดาขนาดเราเหี้ยขนาดนี้มันยังทำจนเราจะเสึอกผมว่ากื่อเหี้ยพวกมึงเหี้ยคูอีกอย่างนี้เออไปเจอเสือสิงกะทิมและทั้งนั้นเลยไม่รู้จะทำยังไงเหี้ยจริงๆขอแก้ข่าวด้วยเพราะว่าพี่ออสบอกว่า เราก็จะสึกเหมือนกันโย่เนออกไปโย่มาถามมันใหญ่เลยเฮ้ยจะสึกจริงหรอจะสึกเมื่อไหร่ออกจากป่าเลยไหมอะไรเงี้ยเราก็เฮมันมันผ่านมาแล้วไอ้ที่เราเครียดมันตอนเข้าพรรษาตอนนี้มันออกพรรษามันทุกอย่างมันผ่านไปแล้วก็คือใช้กฎของพระเจ้า เ, เขาบอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติใช่ไหมสัจธรรมก็คือความเป็นจริง ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยที่อยู่กับหลวงพ่อมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ได้สอนอะไรมากเลยสอนให้นั่งสมาธิแล้วให้เกิดปัญญา เ, เราก็ได้ไปได้ยินมาเหมือนกันนะโยมเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าเขามีพระที่เขาศรัทธาเคยมาเรียนกับหลวงพ่อก็คือมาเรียนคาถาอาคมเรียนวิชาอาคมต่างๆหลวงพ่อก็เมตตาสอนให้เราก็มันั่งิดน่ใจว่า อยูกับหลวงพ่อมาตั้งสี่ปีไม่เคยได้เรียนคาถาสักคขาถานึ่งเลยทาไมเขาไม่ตาไปสอนพระลูกอื่นเอ๊ะแล้หลวงพ่อมีสอนคาถาคมด้วยหรอเราก็ไม่รู้แต่เขาบอกจริงพี่เรื่องจริงเราก็เอ๊ะไม่รู้นะอาจจะจริตใครจริตมันก็ได้อย่างที่พระนิพพานบอกว่าให้เอาตามที่จริตที่เราถนัดแต่ที่หลวงพ่อสอ น, นที่ผ่านมาเขาสอนให้นั่งสมาธินี่แหละนั่งธรรมดา หลับตาพุโทโธพุธโทโธไปวันก่อนต้องมีโยมาถามดถามโยกับการปฏิบัติเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกว่ามันหลายสายหลายกรรมฐานมีหลายกองเยหลวงพ่อก็เคยบอกเราเหมือนกันเคยบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยกร ร, รมฐานมันมีทั้งสี่สิบกองอะมึงก็ไปทดลองดูดิให้มันครบแล้วดูว่ามึงชอบแบบไห น, นชอบแบบไหนมึงก็ไปปฏิบัติแบบนั้นแหละ แต่พอเราลองๆเราก็ขี้เกียจขี้เกียจไปศึกษาเขียนอะไรเอาหลว่อสอนกันไหมล้วก็เอาแบบนั้นเลย อ, อาจจะมีบ้างไปปฏิบัติที่อื่นเอไปปฏิบัติที่อื่นก็ไปลองอย่างอื่นแต่คือเราชินกับที่อยู่ตรงนี้มาแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยชินชินกับการปฏบิบัติแบบนี้ไปแต่จะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดมากเพราะว่าสย่งที่บอกคนหลายคนก็อาจจะไม่ ไม่ค่อยได้ปฏิบัติมากไปถึงขั้นแอดวานมากก็เอาแบบธรมธรมดาธรรมดาก็จะบอกพื้นนเลยวิธีการในการปฏิบัติไม่ต้องสนใจอะไรจะนั่งเห็นอะไรจะศึกษาขนาดไหนบางทีศึกษาเยอะก็เสียเปรียยนมันจะเกิดกิเลสความอยากเดี๋ยว่าบางคนชอบคุยไงคนชอบคุยคุยเรื่องยานชานโน่นนี่นะั่นมีสิบหกขั้น มีอะไรเยอะแยะมากมายบางทีศึกษาเยอะก็เสียเปรียบเพราะมันทำให้เราอยากอยากได้พออยากแล้วมันก็ไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีขี้เกียจอยู่แล้วก็ไม่ต้องศึกษาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆติดตรงไหนค่อยไปถามคนที่เขาเก่งกว่าก็คือพระรุ่นพี่ทั้งหลายหรือว่าจะไปถามหลวงพ่อก็ได้ตอนนี้ใครติดปัญหาอะไรล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติไป มีติดอะไรเราก็ไปถามหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อที่นั่งนั่งอยู่ทั้งหลายเนี่ยคือท่านผ่านการฝึกมาแล้วเขาถึงมาสอนได้มาพูดได้งเราเนี่ยเวลาใครมาถามอะไรบอกผมไม่รู้ไม่ต้สนใจหรอกหลวงพ่อเขเคยด่าไปแล้สมัยก่อนมาบวชเนี่ยเราก็ศึกษาดูไปนั่งสมาธิชอบขึ้นไปนั่งบนโบสตอนคืนมันเงียบดีเพราะมันเหมือนกับ เพิ่งเข้ามาใหม่ศึกษาไม่ใหม่อืมเ่อก่อนก็ขึ้นไปบนบสถ์ทำไมนั้นมีวันหนึ่งไปกับหลวงพ่อเคเนี่ยแหละไปเจอผีไม่รู้ผีหรือเปล่าขึ้นไปกันสองคนตอนคืนนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคชอบนั่งสมาธิเราก็เลยอ่ะชวนขึ้นไปนั่งกันบนโบสถ์ครับพอไปนั่งโอ้โหอยู่ๆก็มีกลิ่นอะไรไม่ไม่มาเราก็นั่งไอ้กลิ่นอะไรไม่ไหม่วะ ไม่รู้เหมือนกันไม่ใครมันมาเผาอะไรเป็นนั่งกันอยู่ตรงชั้นสามตรงโบสตรงที่มันมีสองฝั่งจะมีพระโคตรรูปตั้งอยู่สี่รูปฝั่งละสี่ถ้าจไม่ผิดเออก็ไปนั่งกันอยู่ฝั่งที่หันหน้าเข้ามาทางห้องน้ำํำนั่งกันหน้าพระคนละ ร, รูปเลย เ, เรื่องกลิ่นอะไรไม่รู้ไม่ไหม้แล้วก็มันคงใครเผาอะไรสักพักหนึ่งนั่งไป เหมือนมีใครเอานิ้วมาลูกตรงเอวด้านขวาเราก็สะดุงเฮือขึ้นมาตอนนั้นมันน่าจะสี่ทุ่มมพอดีเราเข้าเวรพอดีพขเวรแล้วก็เรยบอกพระเวรว่าขอขึ้นไปนั่งสมาธิกับหลวงพี่หน่อยเราก็มาตกใจใครมาลูกลูกเอวเราก็ไม่รู้เออเรามาลูกเสร็จแล้วก็นึกว่าเฮ้ยมันนั่งคิดดูอังสะอังสะด้านขวาของพระมันจะปิดตายไยกระดุมันจะอยู่ด้านซ้าย แล้วใครมันจะมาแก้ขอาได้ยังไงมันจะเอานิ้วเข้ามันลูกได้ยังไงด้านขวาคราวนี้เริ่มไม่มีสมาธิแล้วบวชใหม่ๆด้วยสงสัยคุจะเจอผีหลอกแน่ๆอนามานั่งไปนั่งไปครานี้ไม่มีสมาธิแต่ตกลงกันไว้แล้วว่าเปิดเทศหลงพอ่อประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าไม่หมดเวลาห้ามลืมตาคือห้ามทิ้งกันอะ่ะ เ, เป็นข้อตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็เลยนั่งหลับตาแบบล้กลัวๆกัว สักพักหนึ่งมีเสียงผู้ชายอมาจากตรงระฆังไอตรงที่เวลาพระตีระฆังตอนธรมวั ต, ตเช้าอะเสียงผู้ชายเนี่ย <c oughs> เราก็สะดุงเพื่อนสักพักหนึ่งร้องไห้เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงร้องไห้เอ อ, เ อ, อสะอึกสะอื้อแล้วก็ร้องแบบโฮเลยคราวนี้สติแตกแต่ไม่กล้าลืมตากลัวเจอผีเพราะบวดใหม่ๆด้วยยังไม่แก่กล้าไม่ขังเท่าไหร่ เเจอผีหรอกแล้วก็นั่งคิดกันว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาก็ได้รีบเผ็นกันสักทีพอจนมันใกล้จะหมดเวลาเสียงก็หายไปพอหายไปปุ๊บเยก็คุยกับหลวงพี่เลยว่าเฮ้ยคิดว่าเนเสียงอะไรวะเราะ็าพยัยหน้าไปเดี๋ยวเราลองไปคุยกันของเราพระท่าน ก, ก็ได้ยินเหมือนกัน พอลงไปเนี่ยเราก็สมั ย, ยนั้นหลวงตาเล็กยังอยู่สงตาเล็กเข้าเวอยูกับหลวงพี่โจหลวงพ่อโจตอนนี้มรณะภาพไปแล้วทั้งคู่เช่าเวดกันแล้วก็ลงไปใส่เลยด่าเลยบอกตะเล็กเขาชอบแกลงเราตาเล็กทําแบบนี้มันปราปกรรมเว้ยคนเขากำลังนั่งสมาธิกันอยู่มารบ ก, กวนคนนั่งสมาธิขึ้นมาแกลงได้ยังไงเราเน้นว่าเขามาแกงหลง โจหลวงพี่โจเบอกรีไม่มี้เขาอยู่กับผมเนี่แหละอยู่กันตลอดเวลาเลยไม่มีใครเลยเอเราก็พี่โจเชื่อถือได้อยู่แล้วพระผู้ใหญ่น้อยก็เลยมานัาง่งคิดกันว่าเจอผีบ้างาลองบอกหลวงพี่หลวงพี่เค้ไปถามหลวงพ่อไปเราต้อท่านั้นแหลไปถามสรุปไม่มีใครกล้าไปถามเพราะอะไรลองไปถามเรื่องแบบนี้กับหลวงพ่อนะก็จะโดนด่ากลับมาจะอยากรู้ไปทำเอี้ยอะไรไ ประมาณนี้เลยถ้าเกิดไปถามรู้แล้วได้อะไรเอ mm hmm. ก็คือทุกคนจะรู้กันเพราะว่าหลวงพ่อจะไม่ชอบให้มาพูดเรื่องที่มันอะไรประมาณนี้เขาเคยสอนตลอดเวลาว่า mm hmm. รู้กษัตว์แต่ว่ารู้เห็นก็สัตว์ตัว่าเห็นได้ยินกษัตว์แต่ว่าได้ยินแต่นี้สุดอย่างมันก็ก็ได้คําตอบนะเพราะว่าก็าเจอหลายครั้งเหมือนกันบางทีไปนั่งฉันข้าวด้วยกันหลวงพ่อบอกว่าในวัดเนี้ยในโบสถ์ อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะมีลักษณะนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละเข้ามาทดสอบอยู่ในวัดเนี่ยคนที่ปฏิบัติในวัดเนี่ยก็จะได้ยินคำว่าทดสอบเยอะทุกอย่างมันเป็นการทดสอบเราก็อุตสา่าห์มีคํานี้มาจากมหาลัยเรียนจบมาได้ด้การไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบสอบไม่ชอบทดสอบอะไรเลี่ยมัเหนื่อยอ่านหนกงสือมาวัดต้อมาเจอทดสอบอะไร แต่แล้วเป็นยังไงไอการทดสอบต่างๆ ต, ต, ต, ต, ตลอดชีวิตคือนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเจอบททดสอบเนี่ยเราจะได้ยินเนี่ยพวกคนเก่าๆก่าจะพูดเนี่ยบททดสอบเจอบททดสอบอืมแล้วมึงจะผ่านบททดสอบได้ไหมถ้าผ่านได้ก็ดีก็จะเหมือนอัพเลเวลที่พิกิดบอกเหมือนอัพเลเวลขึ้นมาอีกแล้วถามหน่อยเมื่อไหร่บททดสอบเหล่านี้มันจะจบว่าไม่มีคงจะตายนั่นแหละ เก่งขึ้นไปเรื่อยๆผ่านอัปเมลขึ้นไปเรื่อยๆผ่านบททดสอบไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยพออยู่ในวัดเนี่ยบททดสอบมันก็เยอะแต่เราก็ได้มาพูดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่ได้เปิดหัวไว้อะเรื่องของกรรมเนี่ยพอเรามาเรียบเรียงนั่งเรียบเรียงมันเอามาสรุปสรุปสรุปเนี่ยมันเกิดทุกอย่างมันเกิดจากกรรมกรรมอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าบุพกรรมเี่ยต้องให้เรามาเจอกัน อย่าเราฟังปัญหาแต่ละวัดแต่ละวัดรวมถึงวัดนี้ด้วยเนี่ยมานนั่งคุยกับหลวงพ่อนกหลวงพี่อ๊ อ, อที่สอนพระเอพระเจตทุกคนเลยมันมีเรื่องของกรร ม, ขมเข้ามาเกี่ยวก็คือบุพกรรมหลวงพ่อสอนไว้แล้วว่าบุพกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่เหมือนเราเคยเจอกันมาแล้วทํากรรมกันเอาไว้ก็เลยต้องมาเจอกันอีกหนียังไงก็ไม่พ้นเคยเคยทําดีต่อกันมาก็บุพกรรม ชักนำให้มันเจอกันมาทำกรรมดีต่อกันต่ออาจจะชวนกันทำบุญใครเคยเจอบุพกรรมไม่ดีต่อกันก็จะมาเจอกันในส่วนที่ไม่ดีใครเคยตบตีกันในวัดทะเลาะด่ากันในวัดแค่เห็นหน้าก็เมื่อถูกชะตาเลยบางทีเเราอาจจะไม่เข้าใจบางทีเราเจอคนแล้วก็ไม่ถูกชะต า, ากับในนี่ทพนี่เลยประมาณนั้นเราก็มาบวชเนี่ยเจอบททดสอบเรื่องของเรื่องบุพกรรนีแหละ เมื่หม่นั้นเนี่ยมาบวชใหม่ๆเจอพระชื่อลงที่ปอะพระรุ่นเก่าๆน่าจะจําได้บวชก่อนเราประมาณเดือนหนึ่งอันนี้จะเล่าให้ฟังเป็นวิทยาลักษณ์น่าจะเป็นเรื่องของบูุคคลเจอเดือนหนึ่งเขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยเรียนจบปริญญาตีจบวิชาวิทยาศาสตร์เคมีเหมือนแรกอะไรสักอย่างเป็นคนปกติ แต่พอที่เราเจอเนี่ยเหมือนคนไม่ปกติเหมือนสภาวะจิตแกยังไงก็ไม่รู้ทานทีทำงานเนี่ยสมัยก่อนวัดจะทำงานก่อสร้างเราที่พี่ออสพูดให้ฟังเนี่ยใครที่มาทำเนี่ยเทปูนขึ้นผูกเหล็กเนี่ยเมื่อก่อนก็โดนเหมือนกันรุ่นที่บวชเข้ามาปีห้าสองทำชั้นสามเนี่ยชั้นที่มีพระร่วงเนี่ ย, ยต้องขึ้นผูกเหล็กเทปูนทั้งวันมนะันทำโอทอีกสองสามทุ่ม เมื่มันนั่งคิดเห้ะมันจะวัดนี้มันจะอะไรนักหนาวะให้เราทำแต่งานปฏิบัติันตอนไหนวะต้องไม่รู้อแต่พอมารู้ฉเฉลยที่หลังจากผมงพ่อผมงพ่อก็เลยบอกว่ามันเป็นอุบายอุบายทำให้เราได้ทำงานหนักๆเพื่อให้สภาวะจิตเนี่ยมันหมดแรงไม่องั้นเวลานั่งสมาธิทำวัดเนี่ยมันมีพลังเยอะเดี๋ยวมันคิดไม่ผล มันก็ไปคิดเรื่องการก็คือเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆเพราะว่าหลงเกิดมาจากการตัณหาราคาของพ่อของแม่มาพูดไปก็เดี๋ยวก็ยาวอีกกลับมากลับมาตรงหลงที่ตอบหอเราก็ไปเจอพระรูปนีเน้เห็นหน้ามันก็มองหน้าเราแปลกๆไม่ถูกสไตล์ไหนเราก็ไม่ถูกตาเท่าไหร่ไมเลยไปสอบถามพระคนอื่นถามว่าเขาคือใครก็เล่ามาให้ฟังแบบนี้ เล่เามาให้ฟังว่าคือแกก็บวชเข้ามาก่อนเราเดือนหนึ่งแล้วก็ไปกับตอนนั้นไปกับพวกทิศเผือกเป็นพระที่เลี้ยงไปนั่งสมาธีตรงพระสี่บ้านเนา้าจำไม่ผิดแล้วก็เหมือนไปพูดไม่ดีเนี่ยไปพูดไปทักอะไรเนี่ยหลังจากคืนนั้นมาแกเปลี่ยนไปเลยแต่เป็นเหมือนคนสติไม่ปกติแต่ที่เราไม่เข้าใจคือทําไมเขาต้อง มามองเราแบบต้องจะกินเพื่อกินเลยอ่ะก็ไม่เข้าจก็เจอการทํางานด้วยกันมองคอมเมนตลอดว่าไม่เข้าใจพระรูปนี้หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยเราเริ่มมากขึ้นมากขึ้นนไงแต่ก่อนที่อย่างที่บอกอ่ะที่เริ่มเริ่มพู่นมาว่าเมื่อก่อนก็ไม่ใช่ดีอย่างที่บ้านเขาจะชอบเข้าวัดทำบุญอะไรกันของเรานี่สายดาร์กเลยสายแบบสายมืดเลยเที่ยวอย่างเดียว กินเหล้ามา เ, าเที่ยวแล้วก็ไม่ดีอ่ะไม่ได้ค่เข้าวัดอะไรเท่าไหร่เราก็เอาลงเลยเจอพระนักเองแล้ว เ, เจอหลวงที่ปอ ม, มันจะต่ อ, อยกับกูไหมเนี่ยก็คิดในใจว่าเดี๋ยวในพรรษานี้แหละ ว, ว่าม่งต้องมีมวยกับมึงนี่แหละในหลวงที่ปอม เ, <c oughs> เพราะมีอยู่วันหนึ่งเข้าเวรมันเป็นคิวราต้องขึ้นไปตีละฆังไปตีกองตีละฆังในช่วงเข้าพรรษานี หลวงพี่ปอตอนนั้นอยู่กับพระรูปหนึ่งจำไม่ได้นั่งอยู่หลังโบสถ์เราก็นัด ก, กันว่าตีกองตอนหกโมงขึ้นไปนัด ก, กับพระที่ตีด้วยกันไม่เจอใครไม่เจอใครเลยเดินไปอา้าวยิ่งไม่ถูกจ้าจ่ามึงดันเจอมึงอีกเราก็ถามหลวงพี่ปอว่าให้หลวงพี่พระเห็นพระไหมพระที่จะมาตีกองทีละครังเห็นไห ม, ไมเพราะว่ามันจะใกล้เวลาแล้วหลวงพี่ปอเขาบอกว่า พระไหนทำหน้าแบบคนตีนะหน้าแบบว่าพร้อมจะวันนั้นน่าจะสาดกันแล้วก็ได้กอนบทเราก็พยายามสงบจิตสงบใจเ้อาบอกพรที่ตีก่อนด้วยกันเพราะพระไหนไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวสักวันหนึ่งในพันษาเนี่ยรู้เรื่องออก็เลยไปตีกลองตีละครบเ อ, อแต่ในจังหวะช่วงเข้าพรรษา ที่บวชเข้ามาเพจริงๆกับบวชแค่3เดือนแล้วก็สึกแต่หลวงพ่อก็ไม่ให้สึกเหมือนพี่ออสนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบวชเข้ามาเนี่ยเดือนแรกเราก็ยังไม่อะไรพอเดือนที่สองที่3มเนี่ยมันเกิดความคิดว่าเฮ้ยลองปฏิบัตินี้เยอะไหมวะสึกออกไปจะได้ชีวิตจะได้ดีออต้องทําให้มันเยอะๆแบบจริงจังกับชีวิตหน่อยช่วงนั้นก็มีทําสําเร็จเพชรพิจิตอดีก็เลยเข้าไปขอเขาร่วมนั่งปกเสกกันที่ฐานจิต มื่มันจะได้บังคับตัวเองว่าให้มันนั่งนานๆเพราะเราปกตินั่งได้ไม่นานต้องไปเจอหลวงพ่อก็มาสอนเนี่ยสอนทำสอนทำมากเนยแหละช่วงใกล้ๆหอบภรษาเนี่ยแหละมันก็เหมือนกับว่าเราชินชินในการนั่งหลังทำวัตรต้องมานั่งเนี่ยมันจากที่นั่งได้บัตเดียวก็นั่งได้นานขึ้นเพราะนั่งได้นานขึ้นนานขึ้นไปมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันมันผ่านไปเร็วเหมือนกัน แล้วก็ในการฝึกเนี่ยอย่างที่บอกที่หลงพ่อเขาไม่ได้สอนพวกคาถาอาคมอะไรแต่จะสอนเน้นในเรื่องของสมาธิมีสติมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยพอเราทาไปเรื่อยทำไปเรื่อ ย, เ ร, อยเริ่มนั่งสมาธิได้เริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มควบคุมตัวเองได้เพราะว่าเหมือนที่เราฝึกทุกวันเนี่ยคือฝึกจิตให้มันมานิ่งๆอยู่กับที่ เหมือนจิตเราที่มันจะลอยไปลอยมามันจะคิดบางทีมีอะไรมากระทบมันก็คิดเร็วยิ่งว่าก่อนเราเป็นคนรุนแรงเไงใสด่ดาร์กไงเป็นพวกมีเรื่องบอกดังนั้นเนี่ยพอมันมีอะไรมากระทบอะเราก็จะเกิดความปี๊ดขึ้นมาโกรธโมโหแต่พอผ่านไปสองเดือนพอเริ่มจริงจังกับมันมันรู้สึกว่าเบาลงเบาบางลงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรานั่งสมาธิเราสามารถบังคับจิตให้มันมาอยู่นิ่งๆได้ มันก็เกิดความเคยชินต่อสภาวะของการใช้ชีวิตจริงว่าเฮ้ยมันได้นะมันรู้สึกได้เลยว่าตอนหลังมันอ า, มอารมณม์เย็นลงเรื่องของหลมงพี่ปลอยไม่จบอ่อเราก็พอหลังๆใกล้ๆออกมาส า, าเนี่ยพอมันเริ่มเย็นเย็นเย็นเนี่ยจนไปเจอหลวงพ่อครับบางครั้งหนึ่งแกบอกเฮ้ยมึงดีขึ้นเยอะแล้วเนี่ยบวชมาพรรษานึงเนี่ยเมื่อก่อนมึงร้อนมากอารมณ์ร้อนมาก ตอนนี้ลมเย็นไปเยอะนะล้อใช้ได้ใช้ได้ก็ถือว่าโอเค เ, ออเราก็ถือว่าเราเย็นไปเยอะแล้วเท่ากับในเวรอะไรนะบุพกรรมยังไม่หมดเราก็ดีใจให้เดี๋ยวนี้เราเย็นลงแล้วช่วงนั้นเขาก็มีทํางานอย่เราก็มาคิดเลยโอ้เราปล่อยวางได้เยอะเราเลิกกดพระรูปนี้ไม่ไม่มีเรื่องกับเนียนภษาแล้วรู้สึกยินดียินดีว่าเฮ้เราผ่านหมดทดสอบ เจอครัปอกลังนั่งอยูเออ่เราก็นั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆเขาก็มีฉันเพมกินอาหารกินอะไรกันนะเออเราก็ได้ความยินดีวันนั้นซื้อบุหรี่ซื้อบุหรี่ไปแจกเดินเอาไปให้หลวงพี่ปอเลย เ, เดินเข้าไปหลวงพี่ถวายหลพี่ปอหันมาอวดรวยแล้วแม่ก็เดินไปหู น, นี่ไปยิ้ขึ้นมาเลยดีกับมึงแล้วนะยังไม่จบกูอีกหรอ เออแล้วมันก็ทําหน้าแบบคนตียแล้วก็พูดออกมากวดรวยแล้วมันก็เดินไปไม่เอาเว้ยเดินหันหน้าหนีไปเลยแล้วก็ผูสงบสติอารมณ์ตั้งนานทายัางไงวะเนี่ยจนในที่สุดช่วงออกอันซาไปก็ปล่อยไปคือไม่รู้ทําไงปล่อยไปเถอะปล่อยแบบปล่อยไปเลยหลว ง, งพ่อเจอหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ๆก็ทักเราเองนะหลวงพ่อเก่งมากเลย อยู่ทักเรามาว่าเออไอ้นั่นคือนั่งคุยกันอยู่ดีมันนั่งคุยในวงเพ้าแกกวบอกเฮ้ยมึงก็ปฏิบัติไปก็โอเคนะจิตใจคือมันเย็นสงบลงลก็แปลกนะไอ้นั่นอยู่ๆก็มาดา่ามึงเจอที่ไหนมึงก็มาทำแบบคนตีน ใ, ใ, ใส่ด่าใส่สงสัยมึงเคยไปดา่ามันเอาไว้เมื่อก่อนน่าจะในอดีตชาติหรืออะสักอย่างเออแกเข้ามาพูดฉเฉลยให้ฟัง สงสัยมันคงเป็นกรมที่เมื่อก่อนเราคงไปด่ามหน่วยเนี่ยพอมัาเจอชาตินี้เลยมันต้องมาด่าเราคือเออให้นั้นเนี่ยพอเรามาคิดตอ่อถ้าเราปีจารกรายไปต่อยมันในภนาษาแล้วก็ทะเลาะกันต่อไปต่อไปเรื่อยๆมันจะกี่พพกี่ชาติที่ต้องกลับมาชใช้กันอีกเพราะฉะนั้นมันก็ก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างแล้วก็เออผ่านไปคนหนึ่งผ่านบททดสอบไปบทหนึง แล้วก็ไปเจอเรื่อยๆจนไปเป็นเจ้ า, าอาวาสก็ยังไปเจอชาวบ้านเจอปัญหาเจออะไรแย่ๆมากมายมันเยอะจริงๆเยอะจนปัญหามันเยอะมากจนพรรษาที่ผ่านมาคิดแล้วว่าห้องอยู่มันไปเถอะกูไปดีกว่ามาทําให้ดีแล้วสร้างปัญหาไม่จบไม่สิน้นทะเลาะ ก, กันแบงพรรแบ่งพวกแต่เราอุตส่าห์คิดว่าปฏิบัติมาเยอะแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้วมองเห็นความจริงนะเขาบอกว่าปัญญาแปลว่าหลวงพ่อบอกความรอบรู้ในกองสังขารให้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติให้พยายามใช้ปัญญาหาเหตุหาผลของมันทุกอย่างเป็นสัจธรรมมันไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติมันต้องมีเหตุแล้วมันต้องมีผลของมันเพรดัะ <c oughs> นั้นเนี่ยอย่างเรามาเม่วันนี้เราก็มานั่งดูนะเราก็เงียบเียแล้วก็นั่งดูคนโน้นทะเลาะกับคนนี้น คนนี้เดินไปแมงคอมมน์กับคนนี้ก็แอบดูไงแล้วก็มานั่งใช้ปัญญาคิดพิจารณาว่าผลมันเกิดแบบนี้ให้ต้นเหตุมันคืออะไรเราพยายามหาเนีย่ยยงในที่พิจิตเนี่ยก็หาเจอไะบางทีมันทะเลาะ ก, กันเนี่ยจนเราไม่ไหวเรียงมาคุยมาเคลียเรียงมันมานั่งคุยกันเลยคนกลางเนี่ยเขาบอกยิ่งสศงยิ่งหนาว เราเป็นคนไหนเป็นเจ้าของกิจการ <c oughs> เป็นคนใหญ่คนโอมีลูกน้องอยเยอะๆเนี่ยเนี่ยยิ่งสูงยิ่หนาวปัญหาเยอะแยมากมายเวลาเราไปนั่งฟังนะไอ้ฝั่งหนึ่งมันมาปรึกษามันก็จะฟังแล้วดูดีมากครูฟังยังไงมึงก็ถูกอีกฝั่งหนึ่งแม่งผิดผิดรุนแรงพอไ ก, ก่เกลียวให้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็มานั่งเล่าให้ฟังฝั่งมึงก็ถูกถูกไปหมดเลย อีกฝั่งหนึ่งแม่งโคตรผิดเลยแล้วคนกล า, างทํายังไงวะวิธีกูอธิบายให้คนเราพอมันปฏิยามันไม่เกิดเขาบอกคิดไม่ได้นึกไม่ออกไม่ไปมองเห็นสัจธรรมไม่ไปเห็นเหตุของมันทั้งหมดเนี่ยปิดกั้นเอาแต่ด้านของเราด้านเดียวเนี่ยปัญหาที่มันเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยที่เรามาองดูอยู่ทุกวันเนี่ยเรานั่งสังเกตดูอยู่เนี่ยคนบนเขาเนี่ยเลยหลายคู่ บางทีเรานั่งดูเห็นมั่เป็นเหมือนเวลาที่พิจิตตะมันเห็นเหมือนเราดูทีวีเลยนะเหมือนมันรู้ว่าไอคนนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงไอคนนี้เป็นยังไงฝั่งนี้ฝั่งนี้มันไปจับกลุ่มกับใครฝั่งนี้จับกลุ่มกับใครแล้วเหตุมันเกิดจากไหนจนบางทีเราเรียกมาเคียเรียกมาดา่ามันคุณไม่ไหวแล้วคุณเรียกมาดาเราเสี่ยวเจ้นมันบอกว่าหพ่อพ่อมียางชาทําไมถึงรู้พูดเหมือน ผู้บอกกูไม่มีกูมีปรรัญญากูรู้เหตุัผลกูรู้เหตุเพราะมันคืออะไรอธิบายให้มึงฟังมึงยังไม่เข้าใจเลยเพราะมันคนเรามันไม่เปิดรับเไยไม่เปิดที่จะรับฟังความเห็นของคอื่นหรือไม่ใช้สติไม่มีปัญญามองเห็นความจริงรู้แจ้งเขาเรียกอะไรอืมมองไม่เห็นอะไม่เข้าใจแล้วก็นั่งดูดูเออจนมันเบื่อ่ะ จนเราเริ่มมันนั่งเข้าใจว่าอเอยมเนวลาคนมันคิดได้มันมองเห็นเนี่ยทำไมพวกพระเกณฑจิตอะไรมันถึงเบื่อนี่เข้าปากเลยเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเพราะมันเห็นสัจธรรมหมดทุกอย่างเลยเห็นว่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเฮ้ยเบื่อวันนั้นยังนั่งคุยคุยกับหลวงพ่อนกหลวงพ่อนกบอกว่ามันหามันเยอะแยมากนะ่ะ แต่เท่าที่พูดเหมือนกันเลยอะเหมือนเล่าฟังมาเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจแก ไ, ไม่เข้าใจแต่เราเนี่ยจุดมันเขาเรียกว่าอะไรนะาหาเอาใส่หัวงกูมีเรื่องเครียดนิดหน่อยไปเล่าให้พนกฟังพนกระบายของอันิตติมากูนี่เครียดเลยของกูสามนาทีพนกสามสิบ น, นั่งละโอ้โหแม่นดีแล้วที่เราไปอยู่ที่โนูน่นอ่ของพนกมันบ่นเลย บางทีมันมีโมเมนต์ในมุมที่อย่างที่บอกมันไม่มีใครเข้าใจใครหรอกทุกคนมันจะเข้าใจอยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งตัวเองนั่แหละฝั่งความคิดของตัวเองนั่นเนี่ยมันก็พูดยากเราก็ไม่รู้จะให้สอนยังไงะทางทีสอนไปมันก็ไม่เปิดอธิบายไปเล่าให้เห็นภาพมันก็ไม่เห็นแบบเราที่มันก็จะเข้าใจอยู่ตัวเองอยู่คนเดียวพราะฉะนั้นมันต้องคงต้องสุดสติเยอะให้มันเกิด ปัญญาเ ย, ย, เ ย, ยอะๆตอนนี้เรื่องต่อไปมาเรื่องของปัจจุบันเพราะว่าเจ้าบอกว่าให้เราใช้ชีวิตยอยู่กับปัจจุบันอ่นะอย่างที่แม่มาแม่มาว่าฉันต้องการฟังเทศพกับปัจจุบันฉันนี่จะไม่ฟังย้อหลัง่าเงี้ยเนี้ยคือทุกอย่างปัจจุบันบางทใีในการปฏิบัติมันต้องอยู่กับปัจจุบันนะว่ามัยึดติดกับอดีต หรือว่าไปเอาหลักอะไรที่มันเก่าๆแล้วก็มันนั่งแบบว่าฉันเรียนเยอะรู้เยอะออย่างเราอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยวัดเนี้ยเบียดยอมที่มาใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจอะไรในหลายาๆอย่างเช่นที่เราบอกไปว่าพาะทางานก็ไม่รู้หรอกว่าอุบายเขาคืออะไรไม่มีใครรู้หรอกครูบาอาจารย์เอาวางอุบายวางหลักคําสอนอะไรไว้ แต่เอาที่แบบเป็นพื้นฐานง่ายๆเลยเนี่ยเรามองในที่ปัจจุบันปัจจุบันอะไรๆมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปตามยุคโลกาพิวัตนเนี่ยเหมือนกับที่เขามีสังขยาพระไตรปิฎกอะไรต่างๆให้มันเข้ากับปัจจุบันขอยกตัวอย่างหนึ่ตัวอย่างสมัยก่อนที่เรามาบวชใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าพระวัดเราเนี่ยใส่เสื้อใส่เสื้อทํางานพอใส่เสื้อทํางานเนี่ยไปเจอวัด เจ้าคณะอำเภอวัดบุตรยาเนี่ยเขาก็ว่าเรียกหลวงพ่อไปว่าว่าเฮ้ยมันไม่ถูกมันไม่พะใส่เสื้อทํางานมันผิดผิดวินัยผิดมันไม่เหมาะสมนูนน่นนี่นั่นหลวงพ่อบอกว่าอันนี้หลวงพ่อลอาให้สอนหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดท่านไปเทปูนกลางแดดได้ทั้งวันโดยที่ท่านไม่ใส่เสื้ออะไรเลยท่านทําให้ผมดูสิผมถึงจยอมผมจะยอมถอดเสื้อทําแบบท่านทาไหว อ่ามันก็ไม่ไหวแล้วเป็นไงพอระยะเวลาผ่านไปสามสีป่ปีวัดบุษยะเห็นวัดเรามีมีผนังเย็บเสือ้อก็กลายเป็นมาขออ่าเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ปัจจุบันแต่หลวงพ่อเขามีปัญญา เ, เ้ามีปัญญารู้ว <c oughs> ่าจะทำงานมันตาดแดงมันก็ต้องใส่เสือ้ออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราอยากไปเยอะอีกอะไร เก่าหรืออะไรที่ที่มันเขาเรียกอะไรนะตาราจ๋าทุกอย่างอยู่ที่ใจการปฏิบัติอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจใจเราต้องอสํบบายคือเราแค่เอาแก่นแท้ของมันไนะแก่นแท้ของการปฏิบัติเนี่ยที่บอกพ่อเขาไม่มานั่งสอนคาถาขงสอนสติกับปัญญาแค่นี้แล้วก็เกิดกระดับแค่นี้แหละ คือที่เราจะพูดเมื่อกี้หลักไตรลักษณ์ทุกอย่างมันเกิดกดากเนี่ยพอที่เราผ่านค้นเอวิกิดที่จะสืบมาได้เนี่ยเขาก็ให้พยายามนั่งสมาธิคิดเอาหลักของพระเจ้าข้อไหนมาใช้ใดีวะเนี่ยก็อเอามาไม่กี่ข้อนี่แหละกรรมสงสัยคง ม, มีกรรมกับพวกมือพวกชาวบ้านพนี้พวกพระชีทั้งหลายพวกโยมที่มาหรือศิลทั้งหลายองใสัยไปมวยกรรมกับมือมีบุพ ก, กรรมกับมือที่ต้องมาชดใช้กัน หนีให้ตายไงก็ไม่มีทางหนีพ้นเออเอากฎของไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้ามาสอนมีเกิดแล้วก็มีดับไอความรู้สึกอยากสืบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องดับดับแน่ๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักวันในอนาคตเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดขึ้นใหม่เดี๋ยวมันก็ดับอีกเออถึงแม้แต่ชาวบ้านญาติโยมท้าชีเหมือนกันที่เราบอกเราก็เห็นมาหลายคู่เยลยทะเลาะกัน เกิดขึ้นไม่โกรกันความรู้สึกโกรเกลียดเกิดขึ้นเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ดับไปเดี๋ยวสักวันหนึงเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับเนี่ยมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่รวมถึงชีวิตชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้จะเป็นเรื่องยาวเนยเรื่องของมัตตันนี่หกสิบเจ็ดสิบปดสิบปีเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับแล้วแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแต่มันยาวเนี่ยมันเลยดูไม่ออกแต่อย่างพวก อย่างคุณแม่ชีทั้งหลายอายุเยอะเนี่ยเนี่ยอย่างพวกเนี้จะเข้าใจว่ามันเกิดดับเป็นยังไงจากที่เคยเดินไหวในเมื่อวานเห็นแม่ซีมไปเ้าห้องน้ําเดินไปตั้งเกือบสินาทีเออเนี่ยสภาวะร่างกายที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตนะหนึ่งชีวิตตายไปเดี๋ยวก็ต้องเกิดมาเออ เราก็มานั่งคิดทุกอย่างมันเกิดดับไว้สึกออกไปทํายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องไปเกิดไอ้เรื่องแบบเนี้ยอยู่ดีมันฟุม่มเลยมีปัญหาข้างนอกข้างในก็มีออกไปเดี๋ยวมันก็เกิดอยู่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับอยู่ดีเราก็ลงทุนมันตั้งเยอะแล้วบว่นมันตั้งเยอะแล้วเออมันคงเกิดดับกับคงเป็นกดับนั่นแหละช่างแม่งใช้มันไปสดใช้มันไปทนๆไปเดี๋ยวมันก็ดับ เนี่ยมันก็ในรอดมาได้ตอนนี้ก็เลยอยู่ได้รับไม่อยากสื้ออยู่ได้เพราะว่าเหตุการณ์อะไรก็หันพลไปแล้วเ่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเร า, อาเองแต่ ว, ว่าถ้าเราปฏิบัติไปให้มันมีสติมีปรรัญญาคิดแล้วก็เข้าใจปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคิดหาเหตุ หลวงพ่อสอนให้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลของมันพยายามหาเหตุมันให้เจออไอ้ที่มันเกิดขึ้นอยู่อ่ะมันคือผลเราเอาผลน่ะใช้ปัญญาคิดย้อนไปไปหาเหตุหนึ่งเหตุจากตัวเราสองเหตุจาก บ, บุคคลที่สามก็คือคนที่อยู่ข้างๆเราอถ้าเรามีปัญญาเยอะคิดแล้วมันคิดไม่ออกอ่ะมันหาเหตุไม่เจอ ก็คิดไปที่ข้อหนึ่งคือกรรมบุพการกูต้องเจอตัวมือกูพงพมาต้องชดใช้กัวมือมันก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกอย่างในชีวิตมันเข้าหลักของพระพุทเจ้าสอน ม, มาทั้งหมดยี่งแต่ว่าเราจะเอาหลักทำข้อไหนเนี่ยเอามันมาใช้ถูกต้องไหมเออเอามาใช้แก้ไขปัญหาชีวิตได้ไหมอย่างบางคนไปลงคอร์สไปเรียนเนี่ยไปเรียนเรียนเรียนียนอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้หลักพระพุทเจ้าหมด แต่มันแตกแขนงแตกสาขาด้วยปัญญาของแต่ละคนที่เขาจะออกมาสอนแต่ในพื้นฐานเนี่ยในยามหน้าวันเนี่ยเอายาโยมที่มาเนี่ยเอาให้ง่ายเลยนั่งสมาธิไปเถอะเหมือนเรานั่งให้มันมีสติควบคุมสติแปลว่าหลวงพ่อบอกความรู้ตัวเรามีสติเราควบคุมจิตของเราเนี่ยให้ตอนที่มันนั่งเนี่ยมึงไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นให้ต้องไปคิดถึงเรื่องในแรงสิให้มันอยู่เฉพาะตรงไหนสักตอนหนึ่ง อย่างที่วัดอิติเนี่ยหลวงพ่อสอนให้ไว้ตรงใจตรงบนใจเอาแค่เนี้พอเบื้องต้นให้มันนั่งแล้วก็จิตมันกําหนดได้ว่าไม่ต้องไปที่ไหนเลยแค่อยู่ที่ใจเลยมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าสติเกิดขึ้นแปลว่าเรารู้ตัวมีความรู้ตัวแล้วว่าเรากําลังนั่งอะไรนะครัพอเรามีสติบ่อยๆชิ้นๆไปกับการฝึกนะครับจิตของเรามีสติได้ไปทํางานหรือไปอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเนี่ยสติมันก็จะเกิดขึ้น อย่างเราเนี่ยที่ว่าเคยกมันก็จะเบาบางลงคุมตัวเองได้มากขึ้นเพราะเราคุมจิตของเราได้มากขึ้นไอ้เรื่องปัญญายาชานอะไรพวกนี้ช่างมันไม่ต้องสนใจถ้าไปสนใจมากก็ติดไม่ผ่านอีกบททดสอบไม่ผ่านอีกบททดสอบมันเยอ ะ, ม, ยอะมันเยอะแยะมากมายไปหมดจนเราเนี่ยเคยคิดไอ้เทศที่ว่าจะศึกจะสึกเนี่ยบอกไปเลยว่ากูปฏิบัติจนกูค้นพบและวเ่ว่ากูต้องการอะไรในชีวิต อยากนอนแล้วก็พรุ่งนี้คงไม่ตื่นขึ้นมาเลยให้คุณหลับแล้วก็ตายไปเลยจะขอให้มันวนที่ทํามาเยอะกว่าบาปก็แล้วกั น, กนให้มนันพ้นพ้นแบบเบื่ออย่างเงี้ยอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องมานั่งคิดพิดดจารณาเรื่องต่างาให้มันเป็นธรรมะธรรมชาติศธรรมแบบเนี้ยะวนกันไปเกิดดับแล้วเกิดเดียวดับอคิดไม่ออกมองไม่เห็นปัญญาคิดไม่ได้ยังไม่ออก แน่กรรมเลยพ่อไปเลยเรื่องกรรมบุญกรรมต้อมาเจอมันยังไม่รวมวิบากาบกรรมเครากรรมอะไรอีกมากมายชีวิตน่าเบื่อแท้นเนาะเราก็ปธิบัติกันไปดงนั้นวันนี้เวลาคนใจเย็นแล้วเดี๋ยวจะเมื่อยก็ขอเอาห้าเอ า, เอาคุณพระศรรัตน์ใตแล้วก็บทบลุผที่อาตมาได้ทำมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ขอส่งให้เราได้มีศีลมีสติมีสมาธิและเกิดปัญญาเพื่อ น, นำไปใช้ในชีวิตใหเป็นผ่าน้นแต่ละวันแต่ละวันไปด้วยปัญญาของเราด้วยเอวังก็มีด้วยประการลชัชมี <c oughs>